เจริญพรท่านผู้มีจิตศรัทธามีความเงื่อมใสในพระพุทธศาสนาทุกทุกท่านวันนี้เป็นวันอังคารที่หนึ่งมกราคมพุทธศักราช2555เป็นวันขึ้นปีใหม่เป็นวันที่ญาติโยม สาธุชนพทุทธ่วบริษัทได้มีความตั้งใจมาวัดเพื่อมาเริ่มต้นปีใหม่เริ่มต้นชีวิตใหม่ให้ดีกว่าปีเก่าเพราะปีเก่านี้ก็ได้ผ่านไปแล้วจะดีหรือไม่ดีอย่างไรเราก็ไม่สามารถกลับไปเปลี่ยนมันได้ แต่ปีใหม่นี้เราสามารถทำให้ดีก็ได้ทำให้ไม่ดีก็ได้พระพุทธเจ้าทรงตรัสว่าขึ้อนอยู่กับการกระทำของเราทางกายทางวาจาและทางใจถ้าเราคิดดีพูดดีทำดีผลดีคือความสุขความเจริญก็จะตามมาถ้าเรา คิดไม่ดีพูดไม่ดีทำไม่ดีผลไม่ดีก็จะเป็นผลที่ตามมาดังนั้นการที่ชีวิตเราจะขึ้นหรือจะลงจะสุขหรือจะทุกข์ไม่ได้อยู่กับผู้อื่นแต่อยู่กับตัวเราเองพระพุทธเจ้าทรงตรัสว่าอัตตาหิอ ah ัตโนนาโธ ตนเป็นที่พึ่งของตนไม่มีใครเป็นที่พึ่งของเราได้นอกจากตัวเราเองเพราะตัวเราเองนี่จะอยู่กับเราไปตลอดแต่ผู้อื่นนี้เขาไม่อยู่กับเราไปตลอดเขามีอายุเขามีเวลาของเขาเมื่อถึงเวลาถึงอายุของเขาเขาก็ต้องจากเราไป ถ้าเราอาศัยเขาเป็นที่พึ่งเราก็จะต้องทุกข์ยากลำบากแต่ถ้าเราเพิ่งตัวเราเองได้แล้วไม่ว่าเราจะอยู่กับใครหรือไม่เราจะไม่เดือดร้อนเพราะเราเป็นที่พึ่งของเราได้และที่พึ่งของเรานี่ก็ไม่ใช่อะไรที่ไหนก็คือการกระทำของเรานี่เอง เป็นที่พึ่งของเราเพราะเราทำอะไรเราก็จะได้รับผลที่เราทำนั้นจึงขอให้เรามีความเชื่อแน่วแน่ต่อกฎแห่งกรรมอย่าไปท้อแท้เบื่อหน่ายเวลาที่เราทำวามดีแล้วผลที่ดียังไม่เกิดขึ้นกลับมีผลที่ไม่ดีเกิดขึ้นก่อน อันนี้เราต้องคิดว่าเป็นผลของกรรมเก่าเช่นเป็นผลของกรรมที่เราทําไว้ในปีที่แล้วหรือในชาติที่แล้วซึ่งมาส่งผลในปัจจุบันนี้ไม่ได้เป็นผลที่เกิดจากการทําความดีแต่อย่างใดการทำความดีของเราอันนี้ผลยังอาจจะไม่เกิดขึ้น เพราะว่าเหมือนกับการปลูกต้นไม้ไม่ใช่ปลูกต้นไม้วันนี้แล้วจะออกดอกออกผลในวันนี้เลย <Yeah. S 2> ก็ต้องใช้เวลาให้ต้นไม้จะเริ่มเติบโตขึ้นไปเรื่อยๆก่อนจนกว่าต้นไม้จะโตเต็มที่แล้วก็จะออกดอกออกผลให้กับเราดังนั้นการทําความดี หรือการทำความชั่วของเราในวันนี้ผลมันยังอาจจะไม่ปรากฏขึ้นมาก็ได้หรืออาจจะปรากฏขึ้นมาก็ได้เพราะผลบางชนิดก็จะเกิดขึ้นเร็วบางชนิดก็เกิดขึ้นชา้าดังนั้นอย่าท้อแท้เวลาเราทำความดีแล้วเรายังไม่ได้รับผลดีในขณะเดียวกันก็อย่าหลง คิดว่าเราทำความชั่วแล้วเรากลับได้เดี๋ยได้ดีอันนี้ก็อาจจะเป็นเพราะเป็นผลของการกระทาของเราที่ดีในอดีตมาส่งผลในวันนี้นั่นเองแต่อย่างไรก็ตามขอให้เรามีความเชื่อมั่นว่ากฎแห่งกรรมนี้บีจริงทำดีได้ดีทำาชั่วได้ชั่วอย่างแน่นอน เพียงแต่ว่าเวลาที่จะเกิดผลนั้นมันไม่แน่นอนเท่านั้นเองแล้อีกอย่างหนึ่งผลที่เราสามารถสัมผัสรับรู้ได้ทันทีทันใดเลยก็มีเหมือนกันผลนี้ก็คือผลที่เกิดขึ้นภายในใจของเราเวลาเราคิดดีพูดดีทำดีใจเราจะสงบใจเราจะเย็นจะสบายจะมีความสุข เวลาใดที่เราคิดไม่ดีพูดไม่ดีทาไม่ดีเวลานั้นใจของเราจะมีความทุกข์จะมีความวุ่นวายมีความเครียดมีความฟุ้งซ่านนี่คือสิ่งที่เราสามารถสัมผัสรับรู้ได้ในขณะที่เราทําความดีเช่น ว, วันนี้เรามาทําความดีกันเรามาทําบุญมารักษาสิง มาปฏิบัติธรรมมาฟังเทศฟังธรรมขณะนี้ใจของเราก็เย็นสงบสบายอันนี้แหละเป็นผลที่เราควรที่จะถือเป็นหลักของการกระทำของเราผลภายนอกนี้มาช้ามาเร็วหรืออาจจะไม่มาเล ย, เลยก็ได้เช่นคนทำความดีแบบปิดทองหลังพระก็อาจจะไม่มีใครรู้ก็ได้ ก็อาจจะไม่ได้รับรางวัลไม่ได้ไม่ได้รับการยกย่องสรรเสริญเยืนยอแต่ไม่ได้หมายความว่าผู้ที่ปิดทองหลังพระนี้ไม่ได้รับผลของการทำความดีความดีนั้นเกิดขึ้นในใจของผู้ที่ทำทันทียิ่งทำโดยที่ไม่ปรารถนาให้ใครเขามายกย่องมาให้รางวัลกับเรา เรากลับจะได้รับความสุขมากยิ่งกว่าเวลาที่ทำแล้วอยากได้ผลตอบแทนจากผู้อื่นเพราะเวลาเกิดความอยากแล้วใจจะไม่สงบใจจะกระวนกระวายทระสับกระส่ายว่าเมื่อไหร่จะได้รับผลตอบแทนดังนั้นถ้าเราอยากจะทำบุญเพื่อให้เกิดความสุขใจอย่างเต็มที่ เราต้องทำด้วยจิตใจที่สะอาดบริสุทธิ์คือไม่ต้องการผลตอบแทนจากการกระทําจากผู้อื่นเลยต้องการเพียงให้ใจของเรามีความเลื้มปิติมีความสงบมีความเย็นมีความอิ่มเอิบใจเท่านี้ก็พอแล้วเพราะไม่มีความสุขใดที่จะเหนือกว่าความสุขที่เกิดจากความสงบของใจของเรา เวลาเราได้รางวัล น, นี้มันไม่สุขเท่ากับเวลาที่เราไม่ได้ต้องการรางวัลเวลาเราไม่ต้องการรางวัล น, นี้เราทำปั๊บเราก็ได้ผลทันทีเลยและหลังจากที่เราทำไปแล้วถ้าเราคิดถึงการกระทาที่ดีของเราที่ผ่านมาเราก็ยังจะได้รับความสุขเพราะคิดทุกครั้งความสุขที่ทำนั้นก็จะเกิดขึ้นทุกครั้ง ที่คือเรื่องของการกระทำดีหรือชั่วอยู่ที่ตัวเราอย่างที่พระพุทธเจ้าทรงได้ตรัสไว้ว่าสัตว์ทั้งหลายมีกรรมเป็นของของตนจะทำกรรมอันใดไว้ดีหรือชั่วบุญหรือบาปจะต้องเป็นผู้รับผลของการกระทำนั้นดังนั้นถ้าเราอยากจะให้ปีใหม่ของเรานี้ เป็นปีที่สดใ ส, สบัวบางสดชื่นมีความร่มเย็นเป็นสุขก็ขอให้เราคิดดีพูดดีทำดีให้เราทำตามที่พระพุทธเจ้าทรงสอนให้กระทาอยู่สามข้อด้วยกันคือ 1. นหนึ่ ง, หงให้ทำบุญ 2. ให้ละบาท 3. ให้ชำระใจของเราให้สะอาดโรยสุข เพราะการกระทำทั้งสาประการนี้เป็นการกระทำที่จะนำความสุขอันยิ่งใหญ่ความสุขที่ถาวรความสุขที่ไม่มีความทุกข์มาให้กับเราดังนั้นในปีใหมน่นี้ในวันเริ่มต้นของปีใหมน่นี้ถ้าเราอยากจะทำอะไรที่ดีให้กับตัวเราก็ขอให้เราทำบุญละบา ชำระใจของเราให้สะอาดบริสุทธิ์ชำระความโลภความโกรธความหลงชำระความอยากต่างๆเช่นความอยากในการความอยากมีอยากเป็นและความอยากไม่มีอยากไม่เป็นแล้วใจของเรานั้นจะพบกับความสุขอันยิ่งใหญ่ที่ไม่มีอะไรในโลกนี้สามารถมอบให้กับเราได้การที่เราจะทำ สิ่งที่ดีที่งามให้สาเร็จเป็นผลเป็นประโยชน์เกิดขึ้นได้นี้เราจะเป็นจะต้องมีคุณธรรม4ประการด้วยกันคือ 1. เราต้องมีความตั้งใจ 2. เราต้องมีความจริงใจเอาจริงเอาจำาเราต้องมีความภาคเพียร 4. เราต้องมีขันติความอดทน ถ้าเรามีคุณธรรมทั้งสี่ประการนี้แล้วเราจะสามารถทำในสิ่งที่เราต้องการได้อย่างแน่นอนดังนั้นในวันปีใหม่นี้จึงมักจะมีธรรมเนียมให้มีการตั้งเป้าตั้งใจกันว่าปีนี้เราจะทำอะไรกันบ้างหรือเราจะไม่ทำอะไรกันบ้างเช่นบางท่านอยากจะเลิกสุราเลิกบุหร ก็มาตั้งเป้าในวันที่หนึ่งนี้ตั้งเป้าตั้งใจว่าต่อไปนี้จะเลิกเดินสุราจะเลิกสูบบุหรี่หรือบางท่านอาจจะตั้งใจว่าต่อไปนี้จะทาบุญทุกวันจะใส่บาตรหรือถ้าไม่มีบาตรให้ใส่ก็จะเอาเงินที่จะซื้ออาหารนี้มาใส่กระปุกเอาไว้ก่อน แล้วพอมีเวลาว่างสะดวกที่จะไปวัดก็นำเอาเงินที่เราใส่บาตรทุกวันที่ใส่ในกระเป๋กนี้เอาไปถวายวัดต่อไปอย่างนี้เราก็จะได้ทำบุญทุกวันแล้วเราก็จะตั้งใจว่าเราจะรักษาศีลห้าให้ได้ดีเพื่อเราจะได้ละบาตตามที่พระพุทธเจ้าทรงสั่งสอนเราจะรักษาศีลห้าก่อน แล้วในวันพระจะรักษาสิ่แปดจนในวันวันธรรมดาก็จะถือการละเว้นจากการฆ่าสัตว์ละเว้นจากการลักทรัพย์ละเว้นจากการประพฤติผิด ต, ตเวนละเว้นจากการพูดปดละเว้นจากการเสพสุรายาเหม่าส่วนในวันพระเราก็ถือเพิ่มอีกสามข้อโดยเปลี่ยนข้อที่สามจาก การละเว้นจากการประพฤติผิดประเวณีให้เป็นการถือพรหมจรรย์คือละเว้นจากการร่วมหลับนอนกับกับกับทุกๆุกคนจะไม่ร่วมหลับนอนกับใครไม่ว่าจะเป็นสามีภรรยาหรือไม่ก็ตามส่วนข้อที่6กก็คือจะละเว้นจากการรับประทานอาหารหลังเที่ยงวันไปแล้ว ข้อที่7ก็คือละเว้นจากการหาความสุขจากเครื่องบันเทิงต่างๆเช่นดูภาพ ย, ยนตร์ฟังเพลงหรือไปเที่ยวตามสถานบันเทิงต่างๆรวมทั้งกับการไม่แต่งกายให้ให้สวยงามให้เสียเวลากับการแต่งกายร่างกายหรือใช้เครื่องหอมต่างๆเพราะเป็นความสุขที่ผิวเผิน ไม่ใช่เป็นความสุขจริงความสุขจริงต้องความสุขที่อยู่ในใจความสุขที่เกิดจากความสงบนะและข้อที่8ก็คือละเว้นจากการนอนบนฟูกหนาหนาจะถือการนอนบนพื้นไม้หรือพื้นแข็งปู ด, ด้วยผ้าหรือปู ด, ด้วยเสือ่อเพื่อที่เราจะได้ไม่ติดกับการ ติดกับความสุขที่เกิดจากการหลับนอนมากจนเกิดไปถ้าเรานอนบนพื้นธรรมดาพื้นไม้เวลาร่างกายได้พักผ่อนพอแล้วก็จะตื่นขึ้นมาอย่างมากก็ไม่เกินห้าชั่วโมงแต่ถ้าเรานอนบนฟูกหนาๆ ห, หลังจากที่ร่างกายพักผ่อนแล้วตื่นขึ้นมาห้าชั่วโมงแล้วก็ยังเกิดความรู้สึกอยากจะนอนต่อ ก็อาจจะนอนต่ออีก5ชั่วโมงก็จะทำให้เสียเวลาที่มีคุณค่าแก่ชีวิตจิตใจที่เราจะเอามาทำประโยชน์ด้วยการปฏิบัติธรรมมาชำระใจให้สะอาดโริสุ์คือมานั่งสมาธิมาฟังเทศน์ฟังธรรมนี่คือสิ่งที่เราควรจะตั้งจิตอธิษฐานข้อที่หนึ่งก็ขอให้ได้ทำบุญทุกวัน ข้อที่สองก็ขอให้รักษาศีลห้าให้ได้ทุกวันและให้รักษาศีลแปในวันพระหรือวันที่เราไม่ต้องทำงานไม่จำเป็นจะต้องเป็นวันพระก็ได้เพราะสมัยนี้บา ง, งวันวันพระนี้เราต้องไปทำงานก็อาจจะไม่สะดวกที่จะรักษาศีลแปเราก็รักษาศีลในวันที่เราไม่ต้องทำงานแทน เป็นรักษาศีลแปดในวันเสาร์หรือวันอาทิตย์แล้วเราก็ตั้งจิตอธาิษฐานตั้งใจตั้งเป้าว่าต่อไปนี้จะพยายามชำระกิเลสตัณหาความโลภความอยากต่างๆให้เบาบางลงไปด้วยการเจริญจิตตภาวนาคือการนั่งสมาธิและการเจริญปัญญาขอทำทุกวันอย่างน้อยวันละสองครั้ง คือตอนเช้าตื่นขึ้นมาก็นั่งสมาธิก่อนที่จะไปทำกิจต่างๆตอนข้ามก่อนจะพักผ่อนหลับนอนก็นั่งสมาธิอีกหนึ่งครั้งถ้าเราสามารถปฏิบัติตามที่เราตั้งใจไว้ได้แล้วชีวิตของเรานี้จะมีแต่ความโล่มเย็นเป็นสุดทุ ก, ท, ก, ท, กทุกวันถ้าจะมีความทุกข์ก็จะมีไม่มากไม่ไรุนแรง และก็จะไม่นานเพราะเรามีเครื่องดับทุกข์คือธรรมะของพระพุทธเจ้านี่เองนี่คือสิ่งที่เราควรจะตั้งจิตอธิษฐานตั้งคำว่าอธิษฐานนี่ก็แปลว่าความตั้งใจนี่เองหรือความตั้งเป้าเราจะตั้งเป้าว่าในปีใหมน่นี้เราจะทำบุญละบาปชาระใจของเราให้สะอาด ถ้าเราไม่ตั้งเป้าไว้ตั้งจิตอธิษฐานไว้แล้วเราก็จะไม่ได้ทำกันเหมือนกับวันนี้ถ้าไม่ได้ตั้งใจว่าจะมาวัดตอนเช้าที่ตื่นขึ้นมาก็อาจจะสลุนสลือเนื่องจากเมื่อคืนนี้ไปส่งท้ายปีเก่าจนดึกพอตื่นขึ้นมาก็ยังรู้สึกงวงเงียงก็ถ้าไม่ได้ตั้งใจว่าจะมาทำบุญที่วัดก็อาจจะนอนต่อไป แต่ถ้าได้ตั้งใจว่าเติมแล้วจะต้องมาทำบุญที่วัดเราก็จะได้รีบลุกขึ้นมานี่คือเราต้องตั้งเป้าไว้ก่อนถ้าไม่ตั้งเป้าไว้เราก็ไม่รู้ว่าเราจะทำอะไรเราก็อาจจะนอนเฉยๆไปไม่ได้ทำอะไรให้เกิดประโยชน์หลังจากที่เราตั้งเป้าแล้วข้อที่สองเราก็ต้องมีความจริงใจต่อการตั้งเป้าของเรา ขอให้เราถือว่าการตั้งเป้านี้เป็นเหมือนกับให้คํามั่นสัญญาถ้าเราให้คํามั่นสัญญาแนละ้วเราก็ต้องมีสัจจ์ความจริงใจต้องทําตามที่เราให้คํามั่นสัญญาไว้ให้ได้ถ้าไม่อย่างนั้นเราจะเสียสัจจะการเสียสัจจะนี้บ่งบอกถึงความน้มเหลวของของการกระทําของเราว่าเราจะไม่มีความสามารถ ที่จะทำอะไรให้สำเร็จได้ต่อให้ตั้งจิตตั้งใจไว้อย่างไรก็ตามแต่ถ้าไม่มีสัจจะพอถึงเวลาก็จะก็จะเปลี่ยนใจเช่นตั้งเป้าว่าจะมาวัดพอตื่นเช้าขึ้นมาก็เกิดอาการสลุนเฉลยก็เลยขอเปลี่ยนใจไม่อยากมาแต่ถ้าเรามีสัจจะแล้วพอเราตั้งอะไรไว้แล้วเราก็ต้องทำตามสัจจะที่เราตั้งเอาไว้ นี่คือข้อที่สองที่เราต้องมีคือศักจาจความจริงใจข้อที่สามเราต้องมีก็คือวิทยาความภาคเกลียดเมื่อเรามีความตั้งใจมีความจริงใจแล้วพอเราตื่นขึ้นมาเราก็ต้องอย่าบิดขี้เกียจเราต้องลุกขึ้นมารีบเตรียมตัวเตรียมเตรียมอาหารเตรียมข้าวเตรียมของแล้วก็ออกเดินทางมาที่วัด อย่นี้ถึงจะเรียกว่ามีความภาคเพียงแต่เตือขึ้นมาแล้วก็งัวเงียเฉลิมเฉลยทำเตรียมตัวก็เตรียมตัวแบบไม่เต็มที่เตรียมไปเตรียมมาเหลือเดี๋ยวก็หยุดเตรียมเปลี่ยนใจก็ได้แต่ถ้าเรามีความเพียงเราต้องทําอะไรเราก็ต้องทุ่มเทชีวิตจิตใจของเราทําให้เต็มที่ ถ้าเราทำให้เต็มที่แล้วผลก็จะเกิดขึ้นมาได้ข้อที่สี่ที่เราต้องมีก็คือขันติความอดทนเพราะเวลาเราทำความดีนี้มักจะมีอุปสรรคมากมายที่จะมาคอยขัดคอยขวางเราอยู่เรื่อยเราก็ต้องคอยต้องมีขันติความอดทนทุกยากลาบากอย่างไรยากเย็นแสนเข็ญอย่างไรเราก็จะทน ทำไปให้ได้ทำให้สำเร็จนี่คือคุณธรรมสี่ประการด้วยกันที่เราควรจะมีถ้าเราอยากจะทำอะไรต่างๆให้บรรลุเป็นผลขึ้นมาได้ถ้าเรามีแล้วรับรองได้ว่าไม่ว่าเราจะต้องการอะไรต้องการจะทำอะไรเราจะสามารถทำให้บรรลุเป็นผลสำเร็จขึ้นมาได้ ไม่ว่าจะเป็นในทางโลกหรือในทางธรรมก็ตามขึ้นอยู่กับความตั้งใจขึ้นอยู่กับความจริงใจขึ้นอยู่กับความภาคเพียรและขึ้นอยู่กับความอดทนอย่างนั้นขอให้เราพยายามสร้างคุณธรรมทั้ง4ี่ประการนี้ให้มีเพิ่มขึ้นมากขึ้นไปได้เรื่อ ย, อยขอให้เราตั้งเป้าทุกวันตั้งแล้วก็ขอให้เรา ทำตามที่เราตั้งเป้าเอาไว้แล้วก็เพียรพยายามทำให้สำเร็จไม่ว่าจะยากลาบากอย่างไรก็จะไม่ยอมแพ้ไม่หยุดจนกว่าเราจะได้ผลที่เราต้องการถ้าเรามีคุณธรรมอย่างนี้แล้วรับรองได้ว่าชีวิตของเรานั้นจะมีแต่ความรุ่งเรืองขึ้นไปตามลำดับไปจนถึงขั้นสูงสุด คือขั้นของพระอหรหันต์ของพระพุทธเจ้าได้อย่างแน่นอนเพราะว่าพระพุทธเจ้าทั้งหลายและพระอหรหันต์ทั้งหลายท่านก็ใช้คุณธรรมทั้งสี่ประการนี้ผลักดันให้ท่านได้เจริญรุ่งเรืองก้าวหน้าได้กลายเป็นพระพุทธเจ้าได้แก่กลายเป็นพระอหรหันต์ได้กลายเป็นสาาณะเป็นที่พึ่งของสรรโลกพวกเราก็จะสามารถ มีที่พึ่งเป็นของเราโดยที่เราไม่ต้องพึ่งพระพุทธเจ้าไม่ต้องพึ่งพระธรรมครรมสอนไม่ต้อ ง, พ, งพึ่งพระอาหารหันตสาวกทั้งหลายเพราะว่าเราก็จะได้กลายเป็นพระอาหารหันตสาวกขึ้นมาเราก็จะมีที่พึ่งเป็นของของเรานี่แหละคือสิ่งที่เราควรที่จะให้ความสนใจ ก็คือคุณธรรมสี่ประการและการกระทำตามคำสอนของพ่อขุตเจ้าคือการทำบุญละบาปและชำระใจของเราให้สะอาดบริสุทธิ์การกระทำเหล่านี้ไม่มีใครทำให้เราได้พ่อแม่ทำให้เราไม่ได้ครูบาอาจารย์ทำให้เราไม่ได้ญาติสนิทมิตรสหายทำให้เราไม่ได้ เราต้องทำด้วยตัวของเราเองถ้าเราต้องการสิ่งที่ดีสิ่งที่งามถ้าเราต้องการหลุดพ้นจากความทุกข์ยากลำบากถ้าเราต้องการที่จะหลุดพ้นจากความทุกข์ทั้งหลายหลุดพ้นจากการเงียนว่าตายเกิดเราต้องทำด้วยตัวของเราเองนี่คือพอรที่พวกเรามารับกันในวันนี้ พรที่แท้จริงก็คือพอรที่เกิดจากการปฏิบัติของเราพรที่พระภิกษุสวดให้พวกเราฟังนี้เป็นเพียงการแสดงความปรารถนาดีเป็นการแสดงเหตุให้รู้ว่าการที่เราจะมีความสุขความเจริญด้วยอายุวันสุขภะนี้เราต้องทำตามที่พระเจ้าทรงสั่งสอน คือเราต้องคิดดีพูดดีทำดีทำบุญละบาป ท, ทำละใจของเราให้สะอาดบอยสุดแล้วพรอันประเสริฐก็จะเป็นของเราอย่างแน่นอนถ้าเรามารับพรจากการได้ฟังพระสวดให้เราฟังแต่เราไม่ทำตามที่พระเจ้าทรงสั่งสอนต่อให้ฟังพราสวดไป เจ็ดวันเจ็ดคืนก็จะไม่มีอนิสงส์ไม่มีผลอันใดเกิดขึ้นเพราะเหตุที่จะทำให้เรามีความสุขความเจริญมีความก้าวหน้านั้นไม่ได้อยู่ที่การสวดให้พรของผู้อื่นการสวดให้พรนี้เป็นเพียงการสแสดงความปรารถนาดีสแสดงไมตรีจิตเท่านั้นเหมือนกับที่พวกเราส่งสอคสอกัน ส่งความสุขให้แก่กรรมแกรรมแต่ความจริงเราไม่ได้ส่งความสุขเราส่งกระดาษไปเท่านั้นเองเพียงแต่ว่าพอเราได้อ่านแล้วเราก็เกิดความสุขใจขึ้นมาแต่ก็เป็นความสุขใจชั่วขณะที่ได้อ่านพอหลังจากนั้นแล้วมันก็จางหายไปถ้าเราต้องการให้มีความสุขใจอยู่กับเราไปเรื่อยๆ เราก็ต้องทำดีคิดดีพูดดีไปเรื่อยๆแล้วรับรองได้ว่าเราจะมีแต่ความสุขปีใหม่นี้เราสามารถมีความสุขได้ทุกวันมีความเจริญได้ทุกวันถ้าเราทำดีพูดดีคิดดีแต่ถ้าเราทำไม่ดีพูดไม่ดีคิดไม่ดีเราก็จะมีแต่ความทุกข์มีแต่ความเสื่อมเสียตามมา จึงขอฝากให้ท่านได้นำเอากฎแห่งกรรมและพระธรรมคำสอนของพ่อพุทธเจ้าและคุณธรรมสี่ประการคืออธิษฐานสัจจะวิริยะขันติให้ท่านได้นำเอาไปเจริญเอาไปสร้างให้เกิดขึ้นมาให้ได้แล้วผลอันดีอันประเสริฐ ก็จะเป็นผลที่จะตามมาต่อไปการแสดงก็เห็นว่าสมควรแก่เวลาจึงขอยุติไว้เพียงเท่านี้ขอคุณทศสีรัตนาไตรและบุญกุศลที่ท่านได้มาบรเพ็ญกันในวันนี้จงเป็นเหตุเป็นปัจจัยให้ท่านมีแต่ความสุขความเจริญด้วยอายุวณนะสุขภาวะ โดยทั่วหน้าการเธอ